ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งนักภาวนาเมือ่อาชีพเนี่ยจะไม่เลือกสถานที่ที่ไม่สงบก็ภาวนาได้ที่สงบก็ภาวนาได้ภาวนาได้ทุกที่ไม่เลือกแล้วก็ไม่เลือกอารมณ์ในการภาวนา อะไรเกิดขึ้นทางกายก็รู้ได้อะไรเกิดขึ้นทางจิตก็รู้ได้ไม่หนีไม่หนีอารมณ์แล้วก็ไม่กลัวอารมณ์กล้าเผชิญหน้ากับอารมณ์อันนี้คือพระภาวนามือาชีพเจออารมณ์ที่เกิดขึ้นทางกายก็รู้ อารมณ์ทางจิตก็รู้ภาวนาคือการขยันรู้ก็รู้แต่พื้ธภพือไปเนี่เป็นความเพียร น, นะรู้เรื่อยๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากระทบทั้งได้ร่างกายและจิตใจหรือทางตาทางหูทางจมูกทังลิ้นทางกายทางใจไม่เรียกอารมณ์ภาวนาได้ทุกอารมณ์ พรู้นานๆเข้าเนี่ยตัวรู้มันจะเด่นมันก็จะพัฒนาเป็นผู้ดูเลยพอเข้าสู่ผู้ดูแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นอารมณ์เห็นเรื่องของกายเห็นเรื่องของจิตคือการเห็นแจ้งเพราะฉะนั้นนักภาวนามืออาชีพเนี่ย จะไม่เลือกสถานที่ทาที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ภาวนาได้ถ้าเราจะภาวนาแล้วก็ไม่เลือกอารมณ์ไม่หนีอารมณ์กล้าที่จะไปเิญหน้ากับอารมณ์อันนี้ก็เรียกว่านักภาวนามืออาชีพหรือเรียกว่านักเลงกรรมฐานก็ว่าได้